สำหรับหน้านี้เป็นวิธีการสอน เ, อเพราะว่าหน้าที่แล้วมาปรากฏว่าเป็นอารมพบทเป็นการแนะนำเบื้องตน้นวิธีการสอนหนึ่งรักษากำลังใจของเราให้สุภาพตั้งอารมณ์อยู่ในพรหมหารสี่ให้ครบถ้วน แล้วก็ตั้งใจจับพนิพพานเป็นอารมณ์ให้เห็นพระพุทธเจ้าชัดแล้วก็ขอบารมีของพระองค์ทรงช่วยสอนพุทธบริษัทแล้ว ก, การที่จะเห็นอะไรทั้งหมดก็ขอบารมีของพระองค์ทรงช่วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราต้องการจะเห็นให้เห็นได้นนทั่วทุกอย่างเต่าที่มีอยู่ แล้วเรืการต่อไปการเข้าไปแนะนำสิทธิการเข้าไปแนะนำสิทธิ น, นี่ต้องใช้วาจาสุภาพวิจริยาเรียบร้อยมีจิตใจใสสะอาดอันดับแรกให้ปรารบอารมณ์ของพระโสดาบันกน่อนหรือว่าอารมณ์ของพระโสดาบันก็ได้กันหน่ำสกายยทิฏฐิ ตัวนี้เป็นตัวปัญญาแต่ว่าการใช้ปัญญาเขาไม่โสดาบันนี่เล็กน้อยให้ผู้ฝึกมีความเห็นว่าชีวิตนี่มันจะต้องตาย อ, อความตายเป็นของแน่นอนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงค่อยๆพูดจนกทังผู้รับการฝึกมีความเข้าใจ เมื่อมีความเข้าใจแล้วก็แนะนำต่อไปว่าอาการที่ทรงตัวอยู่นี่มันเป็นทุกข์การว่าทุกข์นี่อธิบายย่อๆยใช้สัพภาษาไทยชัดๆอย่าใช้ภาษาตำราคนที่ติดตำราก็แสดงว่าเป็นคนที่ปฏิบัติอะไรไม่ได้เลย ตัวอย่างก็ให้ดูการแนะนำคณะที่มาจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวอย่างใช้วาจายง่ายๆให้เขามองเห็นว่ากำลังที่เขาทรงอยู่นี่มันเป็นทุกข์แล้วก็ถ้าจะเกิดต่อไปมันก็เป็นทุกข์ค่อยๆพูดให้เขามีความเข้าใจทีละน้อยๆ ถามก็มีความเข้าใจมีความเห็นเป็นเช่นนั้นนั่นหรือยังในเบอร์เาบอกก็มีความเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วเห็นไหมถามเขาว่าเห็นไหมการเกิดมันเป็นทุกอย่างนี้ถ้าเราเกิดกี่ชาติกี่ชาติมันก็ทุกอย่างนี้ทางที่เราจะหนีทุกมีอยู่หรือว่าเราไม่ติดใจในความรักระหว่างเพศ ไม่ติดใจในความโลภไม่ติดใจในความโกรธไม่ติดใจในความหลงโดยพ่ออย่างยิ่งเรื่องความโลภต้อนธิบายเขาเข้าใจให้เข้าใจว่าคําว่าโลภนี่หมายความว่าอยากจะเยื่อแย้งทรัพย์สมบัติเขาบอกคนอื่นเท่านั้นการหากินในชาติปัจจุบันมีความสำคัญแต่ต้องหากินในด้านของการสุจริต ให้ก็มองเห็นว่าคนทุกคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีมากก็ดีมีทรัพย์ผินมากก็ดีไม่สามารถจะแบกทรัพย์ไปต่างมาไปโลกอื่นได้ให้เขามีความเข้าใจแอย่าลืมนะว่าบางคนในสำนักของเรานี่ยถูกลงมาหลายครั้งแล้วมีอาจารย์จากสำนักอื่นมาบ้างมีคณะสิทธิ์จากสำนักอื่นมาบ้าง นั่นเป็นเรื่องของเขาเราอย่าสนใจแล้มาแนะนำข้อนี้ก็มีความเข้าใจแล้วก็บอกว่าถ้าเราจะไม่เกิดไม่ต้องการความเกิดอีกจริยะคืออารมณ์จิตเบื้องต้นที่ถึงความไม่เกิดก็ต้องมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จริงด้วยปัญญา ให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีควรเคารพไหมไม่ใช่ไปบังคับให้เขาเครารพเพะอย่าลืมว่าท่านผู้มานี่มาด้วยความเต็มใจก็มีมาด้วยความจำใจก็มีมาเพื่อเป็นการทดลองก็มีมาเพื่อทำลายก็มี มาดูลีลาแล้วกลับไปพูดเปลี่ยนแปลงและดัดแปลงคำพูดเพื่อทำลายก็มีอยู่บ่อยๆนักเสอพิมพเขาก็ลงว่าการไปที่จังหวัดอุทัยธานีไปฝึกไม่ได้อะไรมาเลยนอกจากหลับตาอย่างเดียวแต่ความจริงเขาลงอย่างนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็อย่าไปโกรธเขา เร า, าอย่าไปโกรธเขาอย่าไปตําหนิเขามันเป็นฐานะของเขาถ้าเรากโกรธเขาเราก็เลวถ้าเขาตําหนิเขาเขาตําหนิเราเขาก็ยังไม่เข้าถึงความดีก็ต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนท่านถูกด่าที่นั่นไปที่ไหนถูกใส่ร้ายที่นั่นพระพุทธเจ้าไม่เคยโต้อตอบ แล้วพระพุทธเจ้าก็โตอตอบกับพรามผู้ดา่าสิ่ ง, ขงจจเขาด่าจบก็หาว่าพระพุทธเจ้าแพ้เขาเพราะไม่ด่าตอบถ้าก็ะซุนตัดว่าพรามตถาคตมีความรู้สึกว่าคนในดโกรธตถาคตแล้วถ้าตถาคตโกรธคนนั้นตถาคตมีความรู้สึกว่าตถาคตเร็วกว่าคนนั้นนะ ฉนั้นการโกรธกันว่าการนินทาไม่ตรงความเป็นจริงเป็นความเลวของเขาก็ให้เขาเลวไปแต่คนเดียวเราจงอย่าเลวอันนี้หากว่าไปสำนักของเราโดนบ่อยๆมีอยู่เสมอไม่ใช่วันพ่อไม่รู้รู้มากี่คนก็รู้นั่งอยู่ตรงไหนก็รู้มาจากสำนักไหนก็รู้ที่รู้นี่ไม่ใช่ย้ายใช้ยานพิเศษ แต่ว่าข่าวมาก่อนแต่ล้ลวงพ่อก็ไม่เคยแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่งออกก็มาคุยก็คุยดีด้วยบางคนเข้ามาใกล้ชิดแสดงความสนิทสนมแต่วายจะตกประใจมากท่าทางรียบร้อยแต่ออกไปนินทาลุงพ่อก็ไม่เห็นแปลกการนินทาเป็นปากของเขาเขาเหนื่อยแต่ผู้เดียว เราไม่เหนื่อยมันเป็นเรื่องของเขาอย่าสนใจและบริการต่อไปในเมื่อเขามีความเคารพด้วยความจริงใจในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็าถามความมั่นใจในศินว่าเรื่องศินเนี่ยเขาสามารถจะตัดได้ไหมไม่ทําลายศินได้ไหมเนี่ยสินห้าข้อที่เหตุที่ผลให้เขามีความเข้าใจ ค่อยๆพูดตามปรกติแบบฉบับของเรามีแล้วในจรณะสิบห้าหรือว่าธรรมะช่วยโลกมีอยู่แล้วถ้าไม่เข้าใจก็ฟังจริงนั้นให้มันชัดขึ้นมาจะอธิบายให้เขาฟังที่เหตุชีผลไม่ใช่ว่าทำความดีแล้วก็มุ่งสวรรค์มุ่งพรหมมุ่งนิพพานอย่างเดียวเอาผลชาตินาเอาก้อนชาตินี้ ตามที่เขาเรียนวเจ้าทรงสอนเมื่อก็มีความมั่นใจว่าต่อที่นี้ไปเขาย่อมสงศินให้บริสุทธิ์ตอนนี้เราก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องต้นของการไม่เกิดแต่ยังต้องเกิดถ้าเราไม่ต้องการความเกิดจริงๆทรงอารมณ์นี้ให้ทรงตัวให้มั่นใจตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าถ้าร่างกายมันพังเวลานี้เราขอไป น, นิพพาน เขามั่นใจในนิพพานหรือยังถ้ายังไม่มั่นใจยังไม่ต้องสอนต่อไปทั้งหมดนี้ถ้าเขายังไม่มั่นใจจริงๆก็อย่าสอนต่อไปถ้าเขาบอกว่ามั่นใจเขาว่ามั่นใจของเขาก็ไม่แน่นักบางคนมั่นใจโดยคิดว่าจําเป็นจําใจจนใช้คําว่ามั่นใจไม่ใช่นั้นผู้สอนจะตําหนิคําว่าชั่ว บางคนก็มั่นใจจริงๆคนที่มั่นใจจริงๆจะมีอารมณ์อย่างนี้หนึ่งหลังจากนั้นไปให้นึกถึงบรมีขรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ครูผู้สอนจะต้องเห็นด้วยว่าพระพุทธเจ้าเสด็จแล้วหรือยังทรงทรงพระรูปไปโฉมไปยังไงสีสันวรณะเป็นยังไง มาในสีอะไรจะอาจจะทรงเปลี่ยนสีมากเปลี่ยนสีน้อยมีสีก็ถือว่าจิ้มแทรกแทะการถามทั้งล่อต้องหลอกลวงไว้เสมอแตก่ก็ยืนยันตามเดิมที่เขาเห็นถ้าก็ถูกต้องเรายอมรับเมื่อก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าถูกต้องแล้วตอนนี้เราก็ต้องอรัตนาพระอริยเจ้า เจวดาหรือพรมองค์ใรองหนึ่งอย่าบอกเขาเชิญให้ท่านมายืนอยู่อีกคนอีกองหนึ่งท่านทรงสีอะไรลักษณะเป็นยังไงให้เขาให้ผุ้คนนั้นเขารักษากําลังใจจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เห็นชัดแล้วตอนนี้ก็ถามว่านอกจากพระพุทธเจ้ามีใครมายืนอีกบ้างไหมมีหรือเปล่า ถ้าเขาตอบไม่ถูกก็สแสดงว่าการตอบเดิมของเขาใช้ไม่ได้เขาไม่ได้เห็นจริง <c oughs> นี่เราเป็นเครื่องจับอย่าไปนําเขาเราต้องการจุดถ้าเขารู้ได้จริงก็ต้องแนะนําำพาเสมอว่าอย่าลืมทิ้งบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าเพราะว่าสมาธิของเรามันไม่แคบต้องจับพระพุทธเจ้าวไว้ในเมื่อเขาสามารถบ่าวเทวดาหรือพรหมหรือพระอริยะ ที่เราศนามาได้ถูกต้องตอนนี้ก็ให้ใหเขาจับอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งเออตอนนี้ก็อัญเชิญท่านที่เป็นบินดาและมารดาเออบิดามารดาของคนนี่มีมากเพราะเกิดมามากไม่ใช่คู่เดียวในชาตินี้ท่านที่เป็นเทวดาก็ดีท่านที่เป็นพรมหมก็ดีแล้วท่านที่ผ่านแล้วก็ดี ถ้าเคยเป็นบิดามันดาแล้วก็ขอเชิญให้ท่านมาพร้อมกันที่นี่เรานึกในใจนะที่เป็นบิดามันดาของท่านปุถุกฝึ <c oughs> กเรากําหนดเชิญเองอย่าบอกเขาแล้วต่อจากนั้นไปเมือ่อในเมื่อเราเห็นชัดว่าท่านมานแล้วมากหรือน้อยเป็นเรื่องที่เราจะเพิ่งเห็น จากนั้นล้วก็ถามว่านอกจากพระพุทธเจา้าคนดีนอกจากเทวดาบรมฤทธิพระอริยะที่เราถามมาแล้วคนดีมีใครบ้างไหมถ้าว่าเขาตอบว่าไม่มีก็สนแสดงว่ากําลังใจเขาใช้ไม่ได้ถา้าเขาตอบว่ามีถามว่าท่านมากันมากหรือมาน้อยการต้องการเห็นให้ขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าว่ามีอะไรบ้างเป็นตน้น อองสมเด็จพระทศพลได้โปรดทงเคราะห์ใช้บารมีช่วยให้เห็นทุกอย่างครบถ้วนถ้าเป็นไปตามความเป็นจริงตอนนี้ตาบังเอิญเขาเห็นแล้วก็ดูว่าเขาเห็นครบหรือไม่ครบแล้วต่อจากนั้นไปแล้วก็เชิญ อ, องค์ที่มีความสําคัญที่สุดเป็นบิดามารดาดั้งเดิมที่สุดแล้วก็มีวาสนาบารมีมากที่สุด ออกมายืนข้างหน้าแล้วถามว่ามีองค์ไหนมั้งที่เอามายืนเด่งข้างหน้าน่ะมีไหมเรื่อมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงให้ทําให้ขันขันไปถ้าเขาไม่เห็นจริงเขาก็ตอบไม่มีถ้าไม่มีแล้วก็หวนกลับไปขอบารมีพระเจ้าใหม่ต่กันห้าใหม่ทรงอารมณ์ใหม่เรื่องปัญญาคืสกายติถิ เรื่องอนุสติคือนึกยางเคาเรพในว่พุทธประธรรมมสงคุมอารมณ์ในสินห้าคุมอารมณ์ในพระนิพพานให้มีสภาพแจ่มใสให้สงตัวแล้วก็ถามเขาใหม่เห็นไหมมีไหมอย่าไปบอกนะว่ามีมให้เขารู้ก็เองให้เขาเห็นเองถ้าเขาตอบว่ามีถามสีสันวันณะของท่านคนนั้นการเชิญเทวดามายายซ้มกัน แต่และบุคคลถ้าว่าท่านทรงสีซ้ำกันคอ้ท่านเปลี่ยนสีใหม่อาจจะเปลี่ยนสีทั้งองค์อาจจะมีจุดเล็กๆจุดใดจุดหนึ่งก็ได้แต่ลาตอบถูกต้องก็ถือว่าใช้ได้ทั้งนี้ก็เป็นการป้องกันคำาลือที่ว่ามาไม่ได้อะไรไอ้ก็ถามไปก็พูดตามเขาไปเท่านั้นเอง นี่เราอย่าปล่อยไปง่ายๆในเมื่อเขาไม่ไหวให้เขานั่งอยู่ก่อนนีเป็นการหนึ่งการที่ให้เขารู้จักบิดามันดาที่เป็นเทวันดาก็ดีเป็นพรก็ดีเป็นการสร้างกําลังใจหรือว่าบิดามารดาที่อยู่ในนิพพานก็ดีที่มีสร้างกําลังใจหนะักอย่าลืมฟังเทป ท, ที่สอนแก่ที่แนะนําแก่คณะ จังหวัดสมัทรรการเมื่อคืนมาที่2มกราคม2523เอาไว้เป็นตัวอย่างเพราะว่าถ้าทุกคนเขารู้ว่าเขามีเบิดามาันดาอยู่ที่สวรรค์คนดีพรหมคนดีนิพพานคนดีเขาจะชื่นใจมากกำลังใจจะอิ่มเอิมอารมณ์จะไม่ตกเขาก็ถือว่าเขามีที่พึ่งแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากนั้นมาแล้วเมื่อเขาเห็นดีซ้อมกันในตอนต้นให้ถนัดในการสอบเฉพาะเวลาจากนั้นไปก็พาขึ้นไปบนบนบรรดุกรรมผลศิลาอาัดตอนนี้ขอเชิญท่านผู้มีพระคุณทั้งหมดที่เป็นบิดาอยู่ยแถบหนึ่งที่เป็นมารดาอยู่แถบหนึ่งท่านคู่เกื้อกูลสงเคราะห์อยู่แถบหนึ่งครูมาจานแถบหนึ่ง ให้เขาเชิญเองแนะนำมันเขาเชิญถามว่าท่านมาแล้วหรือยังเป็นพรมประมาณเท่าไหร่เป็นเทวดาประมาณเท่าไรแล้วก็เป็นพระอริยเจ้าเขานิพพานแล้วเท่าไหร่เขาจะตอบโดยปริมาณไม่ใช่ไป น, นับองค์ความจริงอารมณ์เป็นทิศจริงสามารถรู้องค์ได้ ถ้ารู้ไม่ได้ก็ถามท่านผู้ใดผู้หนึ่งที่มีความสําคัญอยู่ที่นั่นว่าท่านนี้เป็นบินาาานดาเท่าไหร่มารดาเท่าไหร่เป็นพรหมเป็นเทวดาเท่าไหร่อนิพพานเท่าไหร่ท่านผู้มีพ ร, ระคุณเท่าไหร่ครูบาอาจารย์เท่าไหร่แลก็ให้ไหว้ด้ยวยความเคารพแล้วอย่าไปแต่ไหนก็ตามให้เกาะบารมีพระพุทธเจ้าวไว้เป็นโุติให้เขาเห็นพระพุทธเจ้าเป็นประจำ เมื่อเสร็จแล้วก็ขอเชิญท่านผู้มีพระคุณทั้งหมดขอสายบา ร, รมีท่านแลอวสัยบา ร, รมีพระพุทธเจ้านำเข้าพระจุลามนีเจดียสถานก่อนจะเข้าให้ตั้งจิตไอ้ฐานขอบา ร, รมีพุทพุทธเจ้าก่อนว่าในที่นี้มีอะไรบ้างกี่คนมีลักษณะอ่าทรัพย์อารต่างของต่างๆในจุลามณีมีอะไรจุดไหนคอยเห็สว่างให้ชัดเจนจำใส เห็นทุกท่านที่มานั่งอยู่ในพระจุลามณีเจดียสถานเอ่อเข้าไปแล้วให้ถามเขาถามแล้วก็ตั้งจิต น, นิฐานตามแนวที่แนะให้แก่คณะจังหวัดสมุท ร, ราการในเมื่อเขามีความแจ่มใสพอแล้วหลังจากนั้นก็พาขึ้นไปสูนิพันธ์ถ้าเป็นการสอนเฉพาะกิจ เฉพาะเวลาเนะี่ยไม่ต้องนำมาไม่ต้องนำมากาแค่ไปสุวิมายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมภรนาวพระสัมณโคดกขอว่าท่านไหวท่านแล้วก็ไปวิมานของพระพุทธกศะบหลังจากนั้นก็ขอบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าทุกองค์ท่านผู้เป็นบิดามัรดาข้อมีคุณว่าวิมานของตัวเองมีไหมขอไปที่นั่น ถ้าไปแล้วถ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นนึกเห็นพระพุทธเจ้าขอรัตนาบารมีท่านพระพุทธเจ้าจะทรงพระเด็ชมาอันนี้ครูจะต้องรู้จริงๆไม่ใช่ว่าเราสิทธิเห็นอย่างหนึ่งครูเห็นอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องระมัดรวัง่าไอ้ ก, การเห็นของเรานะี่ยมันถูกแล้วมันผิดอารมณ์เราเห็นพระพุทธเจ้าแจ่มใสเราก็ไม่มีอะไรผิดเหมือนกัน เขาเห็นแจ่มใสเขาก็ไม่มีอะไรผิดเวลาขึ้นไปบนนั้นแล้วไม่ต้องตัดกันห้าไอ้ตัดกันห้าตัดกันเขาล่างในตัดให้ละเอียดไปก่อนตามแนวอธิบายมาแล้วตั้งแต่เบื้องต้นคืออารมณ์เข้ามาโสนดามันจับจุดสุดท้ายอันก็คือจิตต้องการผลิพันในเมื่อถึงผลิพันแล้วให้เขาเข้าในวิมานของเขาให้เห็นพระพุทธเจ้าโดยเห็นผู้มีคุณด้วย หลังจากนั้นรายะพาไปไหนอีกก็ได้ตามเวลาสมควรถ้าคนมากควรจะใช้เวลาฝึกสิ์อย่างมากคนหนึ่งไม่เกินสิบห้านาทีอย่าไปนั่งแช่เพราะว่าคนอื่นเขายัางคอยอยู่การดีๆใช้เวลาเป็นแค่สิบนาทีก็พอถ้าเ็าไปไม่ไหวจริงๆแนะนำสองครั้งไม่ไหวบอกให้เข้าพาวนาไปก่อน เพราะว่ากำลังใจเขายังไม่ฉินจะต้องเห็นใจเขา ท, ทุกคนส่วนใหญ่มามาด้วยศรัทธาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาสามและปัญญาเป็นของหนักคนที่สามารถทำได้ในปัจจุบันทันดนก็ถือว่าเป็นผู้สั่งสมบารมีมาดีแล้วถ้าไม่เคยสั่งสมบารมีในด้านนี้มาก่อน เราจะสอนไปสักร้อยปีก็ไม่สามารถทำได้ตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระที่เอาจริงเอาจังเขาเข้าทุ่ดดงออกทุ่ดงกันมานานและก็ไม่สามารถจัดสารทำทิฏฐิขุยายให้เกิดได้เนี่ยมีเยอะแต่ว่าถ้าจะเรียกว่าท่านพูดมาเราต้องตั้งมุมในความดีไว้ก่อน ว่าทุกคนที่มาเนี่ยเขาปรารถนาดีต้องการเอาจริงผู้ที่จะมาดูมาตามเขามาลองหรือม า, มาจับผิดก็เป็นเรื่องของเขาเราจะคิดเราคิดอย่างเดียวว่าเขามาดีเทวเจตนาดีเป็นสําคัญเอาอย่างพระพุทธเจ้าเน้อโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าท่านพูนใดไปไม่ได้ก็จงอยากเห็น บางท่านอาจจะไปบอกว่าฉันพูดส่งไปยังนั่นแหละตามเขาวิธีตามเขานี่ยังหมีว่าเทวดาทั้งสวรรค์มีเยอะพรหมทั้งพรหมมีเยอะพระอริยเจ้ามีเยอะการสอบถามนอกมาเถิดมาพระพุทธเจ้าแล้วนอกจกพระเจ้าเราจะอัญเชิญเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งพรหมหรืออรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งซึ่งไม่ซ้ำกันเลย เรืบุคคลนี้ข้างเคียงถามย่ห้ซ้ํากันไม่งั้นก็นั่งฟังก็ตามเขาก็มีเหมือนกันนี่สมมุติว่าคนนี้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะเขานั่งกันใกล้กันอีกคนหนึ่งเราไปถามพระพุทธเจ้าเห็นไหมตอนนี้อารัตนาท่านมาให้เปลี่ยนสีเปลี่ยนทั้งหมดแล้วมีจุดใดจุดหนึ่งไม่โดยเฉพาะอันนี้ค่ะว่าเราเห็นว่ามีจุดใดจุดหนึ่งที่เปลี่ยนโดยเฉพาะ ก็าถามว่าทรงสีอะไรอาารย์อยบอกสีเหมือนกันแต่ว่าตรวจดูที่ว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างมีไหมแต่เราเห็นว่ามีเขาบอกไม่มีเหมือนกันถ้าเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ทบทวนกําลังใจของเราให้จิตสะอาดว่าดูว่าพระรูปประชมและเครื่องแต่งตัวก็องค์สมเด็จพระบรมมรกคนาฏ มีอะไรท่านตามนิดหนึ่งเพิ่มมานิดหนึ่งที่เราต้องการหรือเปล่าถ้ามีก็บอกขอให้เขาตรวจโ ด, ดยดีทําใจให้สบายเขายังยืนยันตามเดิมก็บอกให้รักษากาลังใจไว้ก่อนนะพอดีจะมาใหม่ให้ทรงกําลังใจให้ดีว่าผลการปฏิบัตินี้มีผลแน่แต่ว่ารออีกนิดให้ใจสมายวันนั้นก่อนเราก็ไปสอนคนอื่นต่อไป อย่าไปเขี้ยวเข็นเมื่อผ่านไปเวลาพอสมควรแล้วก็กลับมาใหม่ซ้อมกำลังใจของท่านคนนั้นนี่ใช้วิธีแบบนี้นะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าคนทุกคนเขารู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ปีบิดามันดาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ในการก่อนที่เป็นริวดาหรือพรมโยเนี่ยเขาจะมีความชื่นใจมากไปฟังเทพของพวกคณะจังหวัดสมุทรปราการเขาแยเพิ่งกำลังใจมีความเข้มข้นขึ้นทันทีจึงไม่ใช่ใช้คำว่าไม่กลัวแล้วแล้วก็ไม่เอาแล้วไอ้ร่างกายภายในที่นั่งอยู่ข้างล่างไม่สนใจแล้ว แต่ว่าเขาอาจจะไม่ไพูดอย่างนี้สติความหมายเหมือนกันเป็นว่าเขาไม่กลัวแล้วเรื่องการจะไม่ขึ้นมาเนี่ยไม่มีเพราะเขชื่นใจเหมือนกับเราไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศถ้าไปแต่พูดเดียวเขาก็หงอยเหงาถ้ารู้ข่าวว่ามีเพื่อนหรือคนรู้ จ, กจักชุมชนน่าก็รู้สึกว่ามีกำลังใจถ้าทราบว่ามีพี่น้องอยู่ที่นั่นโดยกำลังใจจะสูงขึ้น ถ้าทราบว่ามีบิดามารดาอยู่ที่นั่นความบาดวันทั้งหมดก็สิ้นไปทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อเรามีความมั่นใจว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ทําไมทิ้งเราแน่จะนั้นกายขึ้นไปบนสวรรค์ก็ดีบนพรหมก็ดีบนิพพานก็นดีแต่ก็มีกําลังใจเขารู้ว่าใครเป็นใครแล้วก็ อร่ อ, อยยากนั่นเขามีวิดามารดามีความชุ่มชื่นความอิ่มเอิบกาลังใจมันจะเกิดขึ้นอันนี้ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่ารู้ไปจับจุดบกพ ร, ร่องครงครูพูดสอนคือไม่เดินไปตามทางเดิมเป็นแนวทางการสอนเนี่ยต้องแนวเดินให้มันเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันมันก็ยุ่งจะพลัดจะโผล่คายกําลังใจ แล้วบางท่านก็ไปแนะเป็นนำไปสอนธรรมะอะไรก็ไม่ทราบซึ่งมันไม่เข้าท่าเข้าทางเลยมันไม่ใช่เวลาและการสอนบางทีก็ไม่ถูกตีความหมายทรงเดจ ด, ด้วยกำลังของความโง้อันนี้มันใช่ไม่ได้จงอย่าใช้ตามนั้นแค่ว่าอย่าใช้อย่าใช่ระบบนั้นอารมณ์ที่รายะสอนตัดให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้ เพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติไม่ใช่เวลามันนั่งอ่านธรรมะเลือกฟังธรรมะเพื่อจะไปอดในความมาณติทิฐิเพราอ้ฉันมีความรู้ดีกว่าเธอฉันรู้นนต์รู้นี่แต่เธอว่าสินห้าไม่ครบนั่นเป็นอารมณ์ของสัตว์นรกสินห้าไม่ครบข้อใดก็หนึ่งก็หมายความเป็นสัตว์นรกแน่นอนแม้แต่ศินห้าครบ แต่หลวงพ่อมีเวลามวหมองเวลาจิตจะเคลื่อนออกจากร่างมีความมัวหมองด้ความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีความรักก็ดียังสามารถตัดลงอบายภูมิได้ไม่เป็นว่าจงรักษากําลังใจของเราให้บริสุทธิ์เป็นปกติไม่ใช่เฉพาะเวลาสอนสิทธ เวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจที่ผ่านไปต้องรักษากําลังใจให้มันจืดตอารมณ์ของความรักอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความหลงคําว่าจืดคือว่าจิตไม่หนักไม่มีรมสัมผสัสเรองอะไรเข้าก็เฉยเฉยไม่สนใจเอาแล้วสำหรับการแนะนํานี้แนะนําไว้เพียงเท่านี้นะเพราะมีตัวอย่างอยู่แล้ว ถ้าจะให้ดีแล้วก็เปิดดูฟังดูคำแนะนำของคณะจังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าชุดนั้นรู้สึกว่าคล่องมากจากวันหนึ่งข้างหน้าจะนำคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติมาแนะนำในการฝึกให้เป็นแบบฉบับของท่านผู้เป็นครูต่อไปสำหรับวันนี้วันนี้ก็หมดแล้วขอลาก่อนหวังว่าทุกคน คงจะตั้งใจเป็นสาวกพรองค์สมเด็จพระชินวนวรไม่ใช่โรสศิกรรมเทวทัตสวัสดี